ท่านฟังท่านผู้ฟังทั้งหลายเอ่อ เพราะอือหือที่สานิแค่เท่าใบประดู่ในกํามือเดียว 45 ปีนั้นเท่ากับ ที่สามารถที่จะมาพูดได้แต่ 4 บทเท่านั้นเอง 4 บทแล้ว 4 บทในที่นี้หมายถึง 4 นั่นรู้แล้วว่าทุกข์อะไรสมุทัยคืออะไรแล้วก็ ทำให้มันถึงให้มันได้ให้มันจริงแล้วก็สามารถจะ 3 บทได้มั้ยเออ 3ๆอ่ะสมัย 3 บทได้บท 3 บทก็อนิจังทุกขังอนัตตา 3 บท ถ้า 3 บทยังจําไม่ได้อีกอ้าวขอ 2 บทได้มั้ย 2 บทบอก 2 บทก็ๆเนี่ยทําไมมัน 2 บทนี่ๆเลยทําให้มันรู้ 2 บทได้แล้ว สติอย่างเดียวเลยสติอย่างเดียวเลยในหญิงครูบาอาจารย์ที่เค้าปรณานด้วยวิธีพุทโธพุทโธเนี่ยพุทโธพุทโธ 4 บท 3 บท 2 บทหรือบทเดียวนะขอให้เราทําจริงๆนะๆนะ กินก็มากพูดก็เยอะคิดก็ไม่ได้เรื่องสมาธิก็ไม่มีอันนี้มันไม่ได้แน่นอนบทน่ะมันก็ไม่ได้เรื่อง มีสติในการเดินการหยุดการกินการนอนและนี่เป็นผู้มี 4 บทนี้นี้อาจจะสักบทใดบทหนึ่งได้เข้าไปสู่หัวใจของ ในช่องทางที่เปิดไว้ให้ธรรมะเข้ามาตั้งอาศัยอยู่ นะ, 5 นะพละนี่คือ น่ะคือความมั่นใจในคําสอนความมั่นใจในบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือความมั่นใจความ เรามีความมั่นใจอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวและมีความศรัทธาตรงเนี้ยจะเป็นเสมือนกับ มันใช้ได้ผลคนที่ใช้ได้ผลเราก็เคยเห็นมันแล้วได้ผลคนที่ใช้ได้ผลเราก็เคยเห็นมาแล้วนะแม่เราจะ นะหายใจเข้าก็มีสติหายใจออกก็มีสติมีสติในลมก็ได้บางคนอาจจะระลึกถึง เดี๋ยวก็สอนเรื่องละนั่นทีบ้างเดี๋ยวก็สอนเรื่องความ 4 บ้างซึ่งมันมีหลากหลายอย่างซึ่งมันมี นะแต่ว่ามีทางปฏิบัติเข้ามาได้หลายรอบนะรอบไหนก็ได้เราเรามีคือหมายความว่าไม่ได้จําเป็นว่า ขอให้ทําขอให้ทํานี่คือประเด็นนะบางคนทําไปนิดๆหน่อยๆก็บอกโอ๊ยไม่ นะทําจริงๆอ่ะว่างั้นเถอะนะๆอ่ะนะ ถ้าจะไม่ไหว 10 หน้าอย่าง 10 หน้าเนี่ย 10 หน้าตรงนี้นะ สิ่งที่ตัวเองทํานั่นแหละคือสตินั่นเองคุณ ที่ถึงเรื่องอกุศลอดีนโคตเปจุปันนรกสวรรค์นิพพานนั่นเนี่ยอะไรกายใช่ตรงอย 4 อย่างเนี่ยเป็น เราจะใช้กายก็ได้ใช้เวทนาก็ได้ใช้เรา 10 อย่างหรือว่าสัญญาอย 4 อย่างนี้ 4 อย่างนี้หมาย 4 นั่นเองเนี่ย อ่ะคุสตอลทําทั้งหลายในเวลามันทีเราคิดมากอ่ะคิดฟังก์ชันเอ้าอย่างน้อยยังมีกลายเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงไม่ให้เจ้าความๆเหนือรู้ เรามานึกถึงปุจฉาบ้างนึกถึงลมหายใจบ้างนึก สัก 3 นาทีเข้า 7-8 ลม 7-8 ครั้งอย่างเงี้ย 3 นาที 10 นาที 1 นาที 5 นาทีตรงนั้นเนี่ยจิต 5 นาทีเองเองเอา 25 นาทีอ่ะเลิก 25 นาที 5 นาทีนี้ 30 นาที 5 นาที ให้นึกถึงจงจุดที่เราได้ให 30 นาทีเราพยายามที่จะมาฝึกสติของเราแค่ 5 นาทีอันนี้ดีมาก เนี่ยก็หมายความว่าเราเห็นตามที่มันเป็นน่ะตามที่มันจะจริงๆจริงๆของๆละเนี่ยเห็น 5 นาที จะทําเป็น 30 นาทีที่ 30 นาทีมันอาจจะเห็นตามที่เป็นจริงได้มากขึ้นนะก็ค่อยๆทําไปวิชาเปรียบ บึงน้อยๆเต็มแล้วก็ทําบึงใหญ่ให้เต็มบึงใหญ่ ไอ้ทั้ง 5 อย่างเนี้ยคือพลังคือกำลังของเราคือพลังพละ 5 นั่นเอง นะได้ผลยัง